ลยความเคารพเป็นอย่างมเมขียนลอยความเาเป็นอย่างเพื่อนสาการมิกทุกรูปกระนัยอย่างคุณแม่จีวรานับปฏิญาณทำทุกท่านเราทำมาจ้าร่วมกัน เราก็ได้มาผุดจารนิสติเหมือนก็เมื่อกี้ที่เราเสวดเหมือนกันสติคือการเอื้อรู้แล้วก็มันอยู่กับความรู้สึกตัวการเห็นกายการเห็นเนื้อหน้าเห็นจิตเห็นทรเมืองตนมันมีการเห็นและเห็นถูก เห็นถูกก็คือทุกครั้งที่สัมผัสกับการเคลื่อนไหวของกายและของใจการเจรนายกมือเดินย ง, งกรมก็เป็นการฝึกหันจิตวิสติบเบื้องตน้นก็โย่กับความคิดหลงเพลิกับความคิดเห็นแล้วว่าสนใจไป เราลดกินงเจียงวัตถุ ก, กรกรมมาคุณเรากลับมากระทบสัมผัสรู้สึกรู้สึกเราฝึกให้เราเพึ่งตัวเองได้พึ่งใจของตัวเองได้พึ่งเวทธรรมพึ่งธรรมะธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วในชีวิตของเราทุกๆคนไกลเกินไว้ให้ใจรู้ะ กายทำไรใจทําด้วยอยู่ด้วยกันความคิดก็ไม่มีอิทธิพลไม่ได้มีอำนาจแต่ว่าการที่จะรู้ทันความคิด<ม>ก็ต้องเจริญสติให้มันคมให้มันเห็นความคิดให้มันชัด<ม>การจะสัมผัสความคิดซึ่งเป็นนมธรรมก็ต้องมีการในตสติตาปัญญาการสัมผัสตรรกะณะ มองเห็นตรงเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐินันแหละเป็นอาการทีมันเกิดขึ้นมาจริงๆอาการของกายอาการของใจเนะี่ยมันปรากฏอยู่ทุกๆกันนี่ความคิดนี่เป็นบุญก็มีเป็นบาปก็มีคิดให้ดีให้ชั่วคิดให้สุขคิดให้ทุกได้ว่าเวลามันหลงเผลอเข้าไปโดยที่เราไม่รู้เมื้อรู้ตัวเนะี่ยมันจะมีกลไกมีการแก้กัน ซึ่งชาวพุทธด้วยนะระทำะด้วยพวกเราทุกคนก็มีความเชื่ออยู่แล้วว่าองค์หเบสัมมาเจ้าอุบัติขึ้นมาจริงๆท่าเด็กคนพบจริงๆพบทางออกมันมีความทุกข์ที่เกิดจากอาการของกายของใจหรือว่าจิตใจซึ่งเป็นททานามธรรมเนี่ยมันนพบจริงๆโดยใช้หลักของมห า, หาติฏฐานสูตร การเห็นเนื้อเห็นตัวตัวเองการนั่งการเดินการยนืนการนอนเห็นอาการต่างๆถ้าหลงเผลอไปเรีนความทุกข์หิวข้าวปวดหัวตัวร้อนไม่สบายการแก่การเจ็บการตายความคิดของเราติมตา ก, กดอยู่คิดโลกคิดโกดคิดหลงคิดละ ค, คิดจังว่ามันเกิดจาก การพัดผ้ากของรักของชอบใจเห็นว่าปัจจณาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมนเปนาการที่ถูกรู้เท่ารู้ทันมันก็ออกมาเป็นตัวสภาวะของผู้ดูหรือว่าตัวปัญญามันก็เห็นความจริงทุกๆุกปัจนาที่ปรากฏขึ้นมาก็รู้สึกสบายสะดวกในการที่จะใช้ยึดเตือนยันหลับ เป็นการเจริญสติเป็นความรู้เนื้อรู้ตัวปฏิบัติธรรมเลยเพาในรูปแบบการปิกมือสร้างจังหวะใหม่ๆนันเป็นการกวนจริงๆมันกวนจริตนิสัยต่างๆที่เคยมีพฤติกรรมจากการคิดจากการพูดจากการทำจนเป็นจริตนิสัยมันจะถูกกวนแล้วกวนอีก หรือว่าปรเปลี่ยนตวัวตอบละเอียดนะพอมันหลงเผลอไปแล้วเอากลับมาหลงเผลอไปก็กลับมาเบื้องต้นเลย mm hmm. เคยอยู่กับความคิดก็มาอยู่กับความรู้สึกตัวจนกระทั่งมันรู้ทันความรู้สึกตัวแต่ละขณะรู้ทันความคิด mm hmm. เห็นรูปเห็นนามอาการของรูปธรรมนามธรรม จะติมก็เตือนรู้ขึ้นมาแต่ว่าปฏิบัติใหม่ๆหนึ่งวันสองวันสาวันก็ต้องพางสิ่งที่มันขวางๆกีดๆมันไม่ให้เราเข้าถึงความรู้สึกตัวแต่ว่ามันก็เป็นของดีในแง่ของการปฏิบัติเราทุกอย่างมาเป็นประโยชน์อามาเป็นการศึกษาเรียนรู้อามาเป็นบารมี เกิดความวุ่นเกินมาแล้วก็ไม่ได้ทําตามความวุ่นนั่นผ่านอาการผ่านอารมณ์มันเกิดอารมณ์เกิดความเบื่อขึ้นมามันก็ผ่านยังปฏิบัติอยู่ยังไกยันอยู่ยังเคลื่อนไหวอยู่พอเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปมาทางไหนมันก็ไปทางนั้นมาเองไปเองเราก็ยังรู้สึกตัวนั่งเดินยืนนอนของเรา ตรงนี้เราเป็นบทฝึกหัดเป็นแบบฝึกหัดยิ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ยิ่งเก่งขึ้นดีวันดีนคืนเคลื่อนไหวรู้สึกตัวจนกระงกลายเป็นสภาวะของการเห็นอาการหลอนั้นตามความเป็นจริงแลื่เกี่ยวข้องถูกต้องเหมือนกับแม่ไม่ได้ทําอะไรหรอกเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเนะี่ยสั่งให้เคลื่อนไหวรู้สึกตัวอย่างหนึ่งเดียวทุกอย่างทุกสิ่งก็มาให้เป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดด้วย สติมันก็จเจริญแบบนี้ตอนปฏิบัติใหม่ๆเขาคิดว่าธรรมะมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าอย่างโ น, น้นมันเป็นมโนภาพมันจะเป็นแสงสีเสียงต่างๆแต่พอเราปฏิบัติไปจริงๆแล้วมันก็มีความรู้สึกตัวนั่นเห็นตัวเองกำลังนั่งเห็นตัวเองกำลังเดินเห็นตัวเองกำลังยืนกาลังนอนนี่นะแล้วมันก็จะมีเรื่องของการเกี่ยวข้องของชุมชน วัดประจําวันเช่นชาวนี้เราก็ต้องมาทําวัดสวดมนต์กันเราก็เกี่ยวข้องเดี๋ยวต้องไปทําหน้าที่ต่างๆมัเป็นกิจวัตรของชุมชนเรากเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง<ม>ก็เหมือนกับว่ากลมกลืนตกกระดไดปกระจนกระชุมชนวิถีของสังคมต่างๆแต่พอวิถีของชาววัดปฏิบัติธรรมแล้วก็มีกรอบ ของกติกาอย่างที่เขียนเอาไว้ตรงนี้เช้าตืนมาทําอะไรอย่างนี้นมันก็เป็นลนักษณะของการกลมกลืนเหมือนกันการกลมกลืนกับการเคลื่อนการไหวเห็นการเคลื่อนไหวที่มันมีอยู่ทั้งที่เราเจตนาเคลื่อนไหวแล้วก็ความเป็นเองที่ปรากฏเช่นกระพิบปาเช่นหายใจเช่นเวลามันหิวะ เวลามันขัดทายเวลาที่มันมีอาการต่างๆเคลื่อนไหวรู้สึกบางทีลมพัดมาก็รู้สึกบางทีอากาศเย็นอากาศร้อนสัมผัสกระทบก็รู้สึกแต่ว่าตัวเคลื่อนไหวที่เราเจตนาตัวนั้นนะมันเป็นตัวที่ชัดที่สุดจนตัวที่มันมากระทบโดยเหตุโดวยวัดใจมันก็มีอยู่เหมือนกันอันนี้สติก็จะถูกรู้เท่ารู้ทันเป็นภาวะของความรู้สึกตัว มันจะละเอียดลงไปจากหยาบไปอัละเอียดจนทั้งความคิดอารมณ์มันเป็ น, นธรรมะมันก็ถูกรู้เท่ารู้ทันเหมือนกันก็เป็นความรู้สึกตัวตรงนี้ล้ำก็จะสนุกนะจะสนุกเหมือนวันสองวันสามวันมันผ่านอะไรมาบ้างมันจะเข้มแข็งขึ้นนะจะเรียกว่าเกิดอินทรีย์ห้าพละห้าขึ้นนะไม่เคยศรัทธาันก็ศรัทธาไม่เคยมีความเชื่อก็มีความเชื่อ มันก็เคยเห็นตัวเองนั่งเดินยืนนอนกับตาหายใจหรือว่าความคิดติดปรากฏขึ้นมาตุ้กกันะที่ยิบมันก็ได้สัมผัสขึ้นมาอันนี้แหละมันก็สนุกมันได้เห็นความจริงของชีวิตเราอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วก็มีอิทธิพลครอบงามันเกิดจากการหลงเผลอไม่รู้สึกตัวมันก็กลับมารู้ตัวมันก็ได้หลักได้ที่พื้นของจิตของใจของชีวิต คามคิดที่มันเกิดขึ้นมาเป็นประโยชน์ก็ได้ชั้้นไดใช้ทําหน้าที่มันคิดขึ้นมาถ้าไม่ใช่ประโยชน์เราก็ไม่ได้หยิบ ม, มาใช้ทําหน้าที่การคิดการพูดการทำํำก็เกิดจากจิตใจของเรามีความรู้และความหลงเราก็ฝึกความรู้สึกตัวจนกระทั่งมันเหมือนกับว่าต้องตะตื่นยันหลับเหมือนกันในพระสูตรที่เรียกว่าสมัมญญาปะพระ ลึกสุดถึงมีความรู้สึกตัวตัวพร้อมในการเดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังก็คือการเดินจงกรมนั่นเองเดินอย่างมีสติลึกสุดเรจะมีความรู้สึกตัวตัวพร้อมในการเหลียวซ้ายแลกว่าอันนี้ก็มีในพระสูตรอย่างในพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่ลานินฟงฟงดังนั้นการกระทำที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมมันก็มาจาก สมัยพุทธการนุนในหนังสือในพธธระไตรปิฎกก็อ้างเองเอาไว้อย่างนั้นแต่พอเราได้มาฝึกหัดปฏิบัติปรากฏว่าในหนังสือมันก็มีอยู่ในตัวเรานั่นเองเรารับรองได้ว่าการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวตัวตะตเ ก, ก, กียรยันหลับทุกๆกิจกรรมมันก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นแหละเมื่อก่อนมันเคยกลายเป็นเรื่องของคิดดีพูดดีทําดีคิดชั่วพูดชั่วทําชั่ว แต่เดือนนี้มันกลายเป็นเรื่องของว่าความเคลื่อนทุกอย่างมันเป็นกฎของธรรมชาติมันเป็นกฎของธรรมชาติที่มันเป็นเรื่องของอิสระภาพที่มันมีอยู่แล้วไม่ว่าจะรู้หรือจะหลงสิ่งนี้ก็ปรากฏอยู่ตลอดเวลาแต่พอเรามีความรู้สึกตัวมีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็ได้เห็นอาการของกายของจิตมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่จะดาเนินไปและที่สาคัญ ก, ก็คือ เลือกมาใช้ีมาใช้ทําหน้าที่ได้นะอย่างถูกต้องเกิดการไม่เบียดเบียนตัวเองขึ้นมาไม่เบียดเบียนผู้อื่นขึ้นมาทางกายวาจาใจเราได้เห็นนะสติมันทําให้เกิดศีลขึ้นมา ค, คือความเป็นปกติของจิตใจมันมีสติอยู่กายหรือว่ามันรู้สึกตัวอยู่จิตกับปกติจิตที่ปกติก็คือสภาวะของศีลที่ปรากฏอยู่ทุกทุกขณะเราได้เห็นสภาวะของบุญก็เกิดจากตรงนี้เป็นบุญสูงสุด มันเป็นความสุขเป็นปิตินะที่เกิดมาโดยชอบแต่ว่าไม่ติดสุขเกิดขึ้นมาบุญเกิดขึ้นมาอารมณ์ดีเกิด ข, ขึ้นมาขณะปฏิบัติก็รู้สึกมีความขยันมีความรื่นเริงอันนี้เราก็รู้เป็นอารมณ์หรือบางทีเกิดความเบื่อขึ้นมาอย่างเมื่อวานนี่นะัเวทย์ทำปฏิบัติแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงสํานึกถึงความไม่ดีที่เคยทำกับพ่อกับแม่เนี่ยนะ ก็เดินจกนกระทั่งอยู่ในรูปแบบได้ยากเพราะว่าอิทธิพลอำนาจของอารมณ์และความคิดเราเรียกว่าเบี้ยากกรรมก็ได้ที่เคยก็ทํามาแต่มันดึงจงนั้งเดินร้องไห้เดินไปตามวัดตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นแต่ว่าอยู่ในฐานปฏิบัติมันจะอยู่ยากอันนี้คือลรืนะ่องของอารมณ์อีกเหมือนกันเราก็ไม่หลงเข้าไปแล้วก็กลับมารู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวกับรูปแบบ พลิกมือรู้สึกตัวเดินตะกอนรู้สึกตัวนะกลับมาตรงนี้ mm hmm. กลับมาหาฐานเดวกรรมาฐาน mm hmm. พลิกมือรู้สึกตัวยกมือรู้สึกตัวเนี mm ่ย hmm. แต่ถ้านั่งแล้วเกิดอาการเจ็บปวดเมืออันนี้ก็มันก็จะเกิดขึ้น mm hmm. กับปูที่บิบัตใิใหม่ๆหรือว่าเก่าๆก็ตาม mm hmm. ก็รับรู้แล้วก็ให้ความคิดมันขอเปลี่ยนทุกสามสี่ครั้ง5้าครั 5, ้งฝึก mm hmm. มันบอกว่าพอเธอมรนบอว่าไม่ไว้แล้วอะไรงี้นะแล้วก็อรู้แล้วรู้แล้วแล้วก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าเราจะเปลี่ยนแล้วก็มีสติรู้สึกตัวแล้วก็เปลี่ยนเป็นจังหวะให้เขารับรู้การเคลื่อนการไหว ม, มีใจที่มันมีสติรู้อยู่ปกติรู้อยู่กับการเจ็บการปวดของร่างกายอะไรพวกนีน้แล้วก็ได้เห็นว่าเออมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาจากจุดแบบนี้นะ ปนั้นคิดมากเท่าไหร่ก็รู้มากเท่านั้นมันมีอารมณ์เกิดมามากเท่าไหร่เรากลับมาได้มากเท่านั้นตรงนี้จะเป็นร่องรอยเป็นการปัดกรรมกรรมไหนที่เคยทํามากรรมดีก็ตามกรรมไม่ดีก็ตามเป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามมันก็จะรู้นะรู้แล้วก็ผ่านทันทีทุกอารมณ์เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นธรรมนะ แต่ว่ามันจะเป็นหมดที่เรียกว่ากุศลธรรมหรือว่าอกุศลธรรมขึ้นกกับารที่เราคิดแล้วก็ให้สมมตินะจริงๆมันเป็นแค่อาการเป็นแค่ธรรมชาติเป็นแค่สภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นมาให้เราได้ฉลาดมันก็จําเป็นบันไดไต่ให้เราเหยียบขึ้นที่สูงความไม่ดีเกิดขึ้นมาอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นมาแล้วก็เหยียบขึ้นที่สูงอารมณ์ดีเกิดขึ้นมาแล้วก็เหยียบขึ้นที่สูง มันได้รู้จักตัวเองมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นธรรมะมันเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่ตลอดเวลารู้สึกตัวรู้สึกตัวอันนี้เป็นธรรมะที่พึงได้เป็นธรรมะที่เป็นหลักใจของเราทําให้ใจของเราเนี่ยมันเดินสู่ทางสว่างมันเหมือนกับว่ามันมีอารมณ์เบียดเบียดเข้ามามีรูปธรรมนามธรรมเบียดเบียดเข้ามาแต่ว่ามันมีจุดมันก็คือสภาวะของความเป็นปกติจิต มันเป็นลักษณะของความว่างหรือว่าสุญญาตาก่าได้ก็คือมันไม่มีมีความหมายอะไรรูปกระทบทางตามันก็เป็นศัพทะว่าไม่ได้มีความหมายอะไรไม่มีความคิดใส่ลงไปเรารู้สึกตัวอยู่ที่มีเสียงกระทบทางหูมันก็ไม่ได้มีความหมายเกิดความคิดการปรุงกันแต่งใส่ในความหมายนั่นลงไปมันก็จึงเป็นลักษณะของการปล่อยการวางเหมือนก็เคยได้ยินหลวงพ่อ ท่านพูดถึงว่าโยนก้อนกวดใส่ฝาผนั ง, งนก็เหมือนอารมณ์มากระทบเหมืนอนก้นกรวดที่โยนใส่ฝาผนังมันก็หล่นทันทีหล่นทันทีถึตงตรงนี้มก็จะเห็นว่าเออความคิดก็สัพท์ว่าความคิดนั่นแหละห้ามไม่ได้จึงไม่มีการห้ามความคิดว่าอย่าคิดนะอย่างเงี้ยไม่ห้ามแต่คิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเราก็ไม่ตามความคิดเข้าไปแต่กระทบรุ้มก็เป็นสัพทว่าหูฟังเสียงก็เป็นศัพท์ว่า ก็เกิดจากความรู้เนื้อรู้ตัวแต่ละขณะแต่ละษณะเนี่ยอันนี้ผู้ใหม่แล้วผู้ที่ฝึกแต่มาทางที่ได้สัมผัสได้เห็นตรงนี้มันจะเห็นได้ตัวของตัวเองอันนี้มันบอกอ ก, อ ก, ก, อกันไม่ได้หรือชี้นํากันหรือว่าพากันทําให้เกิดก็มาทําให้กันนั้นไม่ได้พอทําให้รู้ก็ไม่ได้เพื่อนทําให้เพื่อนก็ไม่ได้ตัวเองต้องทําให้กับตัวเองแต่ว่าจะต้องมีศรัทธามีความเชื่อ เาทำกรรมฐานมัเนเหนือดีเหนืชั่วทำกรรมฐา น, นมันเดินสู่การเหนือเกิดเนือแก่เนืเจ็บเนือตายเหนือทุกมีความเชื่ออย่างนี้ทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วต้องต้องมีความเชื่อแบบนี้แต่ว่าพอทำกรรมฐานมาแล้วเนี่ยมันเป็นวันนี้ของเรามันไม่ได้เกี่ยวกับเมื่อวานหรือาทิ่ย์ไหนเดือนไหนปีไหนที่เคยทำอะไรมาเกี่ยวกนนันนี้และเดี๋ยวนี้ ที่มีสภาวของความเป็นปกติอยู่เนือทุก์ตัวนี้อยู่เหนเกิดเหนือแก่นืเจ็บเนือตายก็ว่าความรู้สึกตัวมันบอกอย่างนั้นมันเป็นคําตอบมันเป็นอิสระภาพทางจิตวิญญาณวิญญาณก็หมายถึงว่ามันรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ตอนนี้เป็นลระนาของสติที่มันรูรู้เห็นจิตเกี่ยงเหนือาการเคลื่อนไหวอยู่รับใช้ทางทวารต่างๆต า, งาหูจมูกลิ้นกายใจ เห็นวิญญาณวิญญาณไม่มีสติระลึกรู้หรือว่ามันหลงรู้ตรงนี้มันจะมีก็มันเยู่นะกรรมาฐานหรือว่าฝึกกรรมฐานก็ต้องเห็นกรรมฐานพาไปสู่ธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอย่างโดยที่ไม่ต้องทุกข์มันมีอยู่เดี๋ยวว่าความคิดซึ่งเป็นนามธรรมแล้วเป็นความละเอียดเตีนปรากฏอยู่ในชีวิตของเราจนทังมันทําให้เราน คิดไปอดีตคิดไปอนาคตหรือว่าคิดวิพากษ์วิจารณ์ในปัจจุบันกันน่ะเป็นดีเป็นช่วเป็นถูกเป็นผิดเป็นเหตุเป็นผลเป็นกุศลเป็นอกุศลพอเราคืนสู่สภาวะปกติของจิตเราก็จะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติน่ะเรื่องของเขาก็เป็นเรื่องของเขา้าน่ะเขาว่าเราว่ากับความเป็นจริงที่มันหลังปรากรน่เราก็จะได้คาตอบล้วก็ได้ที่พึ่ง จะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนตอนจตื่นยันหลับกลายเป็นเรื่องของความปาสุขเราก็ทําหน้าที่ให้เกิดสันติสุขแล้วก็สันติภาพต่อไปโดยการไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นทําหน้าที่ที่มันอยู่ตรงหน้าหน้าที่ก็คืออะไรที่มันอยู่ตรงหน้าขณะนี้ขณะนี้ก็ทําลงไปอะไรที่มันดีก็ประโยชน์เกิดสันติสุขเราก็ทําลงไป อะไรที่ไม่ดีเป็นการเบียดเบียนตัวเองแล้วเบียดเบียนผู้อื่นก็อย่าทำแล้วก็เห็นสมมติเห็นบัญญัติเห็นความจริงปรมัภะบัญญัติโดยเห็นแล้วนะของการทําหน้าที่ที่เป็นหน้าที่ที่สูงอยู่อย่างตามธรรมงานอย่างสูงมันก็เป็นบัญญัติจนกระทั่งก็ใช้ภาษาว่าอริยบัญญัติอะไรที่คือความคิดการปรุงกันแต่งแล้วก็ยึด แต่ว่ามันเป็นการยึดเพื่อทําหน้าที่ธำป ร, รโยชน์แล้วก็ดำลิมหรือเรียกเขาเรียกว่าอุปโลกนะอุปโลกเอามาใช้ก็ได้เกิดประโยชน์ต่อสังคมชุมชนหรือว่าตัวเองจนต้องกลายเป็นเรื่องที่มันขยายออกไปจนโลกกว้างเป็นธรรมชาติที่สืบเนื่องซึ่งกันและกันเพราะทําอย่างนี้จะมีผลอย่างนี้เพราะตอนนี้รับผลอย่างนี้ทํามาจากเหตุอย่างนี้มาจะรู้ เป็นเรื่องของตัวรู้ที่รู้จักตัวเราเองตรงนี้จะกลายเป็นเรื่องของกาไรชีวิตซึ่งผ่านไปแล้วให้แล้วไปแต่ว่าขณะนี้เราจะใช้ชีวิตอย่างไรอยู่อย่างไรสําคัญที่สุดมันเป็นหน้าที่ที่อยู่ตรงหน้าของเราจริงๆเพราะฉะนั้นเราเคยได้ยินได้ฟังว่าการอยู่กับปัจจุบันน่ะมันทําให้เราออกมาจากอดีตอนาคตความคิดอดีตอนาคตที่เคยทำเบญทำกรรมมันถูกตัด ท, ทันที แล้วก็มันจะคิดนะขึ้นมาก็คิดด้วยสติก็เกิดประโยชน์สูงสุดทีเดียวเพราะฉะนั้นสติมันจะเป็นกุญแจดอกเอกมาเป็นแล้วนะของการไขให้ปัญหาทุกปัญหาที่เป็นโจทย์อยู่ในโลกใบนั้นถูกเฉลยออกมาจนต้องกลายเป็นเรื่องของการเห็นโลกอย่างจแจ่มแจ้งโลกคือกายคือใจโลกคือรูปธรรมนามธรรมโลกคือนะเรื่องของ โลกที่เราเกี่ยวข้องกับธรรมชาติรูปรสกินเสียงโลกคือแผ่นดินแล้วก็โลกคือระบบของอากาศาทภาที่เป็นระบบของสุญญะจักรวาลต่างๆมันเป็นโลกเกิดจากสมมุติที่เกิดจากการคิดการปรุงการแต่งเพราะนั้นความคิดมันจึงเป็นภาษาในสมองเป็นภาษาในร่างกายจิตใจของเราและมันเป็นตัวสร้างโลกขึ้นมา เราก็เห็นแล้วว่าโลกเกิดจากความคิดเหตุผลถูกผิดบุญบาปดีชั่วเกิดจากตัวคิดที่มีสมมุติลงไปเราก็หยิบมาใช้ได้อย่างถูกต้องอย่างในสถานะที่เราเป็นชาวพุทธชาวพุทธเราก็รบเรื่องศีลศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อย่สิบเจหรือศีลสามร้อสิบเศีลก็คือความเป็นปกติแต่ล่วงละเมิดความเป็นปกติน หรือว่าเป็นข้อกติกาของชุมชนหรือว่าระเบียบวินัยหรือว่าเป็นเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองต่างๆถ้าเราล่วงละเมิดก็นั่นหมายถึงว่าเราก็เป็นที่รังเกียจของสังคมก็คือสมมุติบัญญัตินั่นเองทีนี้ถ้าเรามีความรู้เนื้อตัวอันนี้มันก็จะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีขึ้นมาก็คือแล้วแล้วไปแต่ว่าขณะนี้ก็คือความจริง ที่เรากําลังรู้สึกตัวเดินสู่ศีลสู่ธรรมเป็นศีลที่รักษาเราไม่ใช่เรารักษาศีลแต่เป็นศีลที่เป็นความบริสุทธิ์ชีวิตที่มันเป็นประมัญที่เรากําลังประพฤติมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตั ว, ตวทั่วพร้อมเป็นความรู้สึกตัวทั่วสภาวกายรู้รอบกองสังขารมันเป็นความรู้ที่เกิดมาจากความรู้สึกตัวขณะเดียวจริงๆที่เราบ่มเพาะจนทั้งมันจเจริญ กลายเป็นเรื่องของสติสีนสมาธิปัญญาที่มันมีอยู่แล้วก็ปรากฏอยู่คณะต่อคณะคณะต่อขณะแลาททำงานตามหน้าที่ของเขาตามกฎของกรรมฐานตามกฎของธรรมชาติซึ่งก็ไม่ได้เป็นความหมายของเราแต่เป็นความหมายของธรรมชาติที่เ้าทำหน้าที่ของเขาโดยตรงแล้วก็ก็ซื่อตรงต่อสัจธรรมของเขาอยู่เสมอเราจะได้สัมผัสผ่านความรู้เนื้อรู้ตัวที่เราได้ฝึกหัดจนกรทั้งมันไลรูปแบบ จากรูปแบบส4บสี่จังหะเดินจงกรมนั่งเดินยืนนอนที่เราเจตนากําหนดจนกรทั่งท้ายสุดไม่ต้องเจตนานมันจะเป็นควา ม, วามกลมเคือ น, นะมีความเป็นกลางแล้วก็จะเห็นโลกตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องต่อไปด้วยอันนี้มันจะเป็นเบื้องต้นทํากลางแล้วที่สุดได้มันมีความหมายจริงๆก็เคยได้ยินสื่อหลวงปู่เทียนท่านพูดถึงว่า ทำอย่างเนี้ยทำอย่างเนี้ยพลิกมือรู้สึกตัวอย่างเดียวเนี่เราก็เดินจงกรมหรือว่าเกลื่อนไหวรู้สึกเก็บตกซักผ้าก็รู้สึกตัวแปรงฟันก็รู้สึกตัวล้างหน้าล้างตาอาบน้ํารับประทานอาหารให้รู้สึกตัวทําอย่างเนี้ยให้ต่อนเนื่องทีถ้าหนึ่งเดือนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องรูปทําน้ำทำเนีไม่รู้ไม่มีสติตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะให้เงินเดือนแล้วเท่าไหร่ก็จะให้จะจ้าง มันก็รู้สึกท้าทายนะรู้สึกท้าทายท่านพูดแบบอ่านหารขนาดนี้ถ้ามันมีขึ้นมาเราให้โอกาสกับตัวเองแล้วได้สัมผัสมันเป็นกําไรจริงๆมันเป็นชีวิตเดินทางสู่ความพาศึกนะครั้งหนึ่งที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราพอมาศึกษาเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดตรงพูดจริงหลวงพอเาเขียนท่านก็พูดแล้วพูดอีกว่าพูดแบบรัดมาพูดแบบนิดเดียวแล้วก็เหมือนกัน ด, ดีนิ้วมือแปะเดียวนะีแล้วก็หมดทุกเลยนะก็คือภาวะของความรู้สึกตัวซึ่งเป็นสภาวะของผู้ดูเนตัวนี้เราได้ฟังแล้วเรารู้สึกมันมีกําลังใจนะแล้วท่านก็แสดงออกด้วยคุณธรรมต่างๆเนี่มันเปลักษณของความลึกซึ้งเป็นการแสดงออกถึงการทําให้ดูอยู่ให้เห็นยินให้สัมผัสนะแล้วก็จึงอบอุ่นนะทำในรูปแบบแล้วก็ไม่เรียกว่าว้าเว ยิเกบลมเข้มแล้วก็มีเพื่อนหลายคนหลายท่านทั้งแปะประมาณ20่สิบรูปแล้วก็ญาติโยมอีกประมาณ20่สิบท่านต่างคนต่างเดินจงกรมแล้วก็ไม่ได้วันไหวกับธรรมชาติภายนอกฝนตกยุงชุมมาเลยเนะี่ยต่างคนต่างก็รับผิดชอบตัวเองเจนกทั่งมันมีความเรียบร้อยวัดป่าสุกตัวใครเข้ามาก็รู้สึกมีศรัทธาทัานทีเหมือนกระกลุ่มที่มา7จ็ดวันก็เหมือนกัน เรามีความเรียบร้อยต่างคนต่างฝึกตัวเองฝึกตนสอนตนกันความคิดเกิดขึ้นมาเท่าไหร่แล้วก็รู้ทันเท่านั้นคิดสิบครั้งก็รู้สิบครั้งคิดร้อยครั้งก็รู้ทันมัน10ครั้ง100ร้อย ค, ค, ค, ครั้งเลยอันนี้คือผลที่จะเกิดจากการฝึกครับจิตก็จะมีสภาวะของการตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นรู้ตามกฎของกรรมฐานตามกฎของธรรมชาติอะไรเงี้ยน ะ, ะวันนี้ก็พูดแต่หลวงพ่อเขียนตันไม่มีเสียงหมดเสียง ก็พูดไปนะตามลองตามรอยนะที่สัมผัสนะกันนะก็ท้ายสุดนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็จะขอยกทีการพูดเพียงแค่นะี้ก็ขอใหนะ้โอกาสของพวกเราที่มีอยู่ขณะ น, นี้แล้วก็บัดว า, ารา ม, นะมคือมีพื้นที่สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนประกอบก็ขอให้เป็นนะเรื่องของความเรู้ตัวนะที่มันกําลังปรากฏสมควรแก่การปฏิบัติก็ขอให้นะ ทำรรมาสมควรแก่การปฏิบัติสติสมาธิปัญญาศีลนะที่ํมังปรากฏนะก็ขอให้เร า, าได้เจริญจนกั้งมันยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งนะเป็นคุณของพระศีรัน์ไต่ก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆนะ์มีอํานาจคุ้มครองเราที่เกิดมาจากนะการปฏิบัตนะิธรรมมีผลในะส่งยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งทำที่สุดแห่งกองทุกมีจิตใจที่เป็นปกตินะยิ่งยิงขึ้นไป ตามสมควรแก่การในแบบโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกรูปทุกนามเธอ